สามสิบสามพระธันติกาเถรีภิกษุณีผู้มีช้างเป็นแรงดลใจชาติสุดท้ายนางเกิดในตระกูลพราหม์ผู้เป็นปุรุหิตของพระเจ้าโกศลแห่งกรุงสาวัตถีรู้เดียงสาแล้วเกิดศรัทธาในพระศาสนาในคราวที่พระพุทธเจ้าทรงขับพระเชตวันวิหารของท่านอนาทบินธิกะเศรษฐีแสดงตนเป็นอุบาสิกา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 จเจริญวิปัสนาแล้วได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายคลั้นบรรลุอรหันต์แล้วท่านพิจารณาข้อวัดปฏิบัติของตนเกิดปีติสมนัสได้กล่าวคาถาเหล่านี้เป็นอุทานว่าข้าพเจ้าออกจากที่พักกลางวันบนภูเขาคิชกูดได้เห็นช้างลงสู่แม่น้ำแล้วขึ้นจากแม่น้าที่ฝั่งแม่น้าจันทภาคา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 สามสิบห้าพระสุกาเถรีภิกษุณีผู้เป็นนักเทศของชาวราชคลชาติสุดท้ายนางเกิดในตระกูลขหาห บ, บดีกรุงราชคลมีชื่อว่าสุกการู้เดียงสาแล้วเกิดศรัทธาเป็นอุบาสิกาในกราวพระาศาสดาเสด็จเข้าพระราชนิเวศของพระเจ้าพิมพิสารต่อมาได้ฟังธรรมในสำนักของพระธรรมทินาเถรี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 ข้าพเจ้าถอนและละความโศกทั้งหมดได้แล้วเพราะข้าพเจ้ากำหนดรู้วัตถุคืออุปทานขันห้าซึ่งเป็นเหตุเกิดแห่งความโศกทั้งหลายได้คาถานั้นมีอธิบายว่าพระเถรีกำหนดรู้อุปทานขันห้าด้วยปริญญาสาคือยาตะปริญญากำหนดรู้ด้วยการรู้ตีระปริญญา กำหนดรู้ได้ด้วยการพิจารณาปหาณปริญญากำหนดรู้ได้ด้วยการละปริญญาสามนี้เป็นไปในอริยสัจ4ี่ครบทั่วแล้วมีพระอรหัตผลเป็นที่สุด 40. พระจาราเถรี